เรื่องเล่าผีหลอนตอนโรงศพผีตายโหงสมัยเด็กผมอยู่ตำบลโพนทองอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีเชื่อว่ามีชาวพวนอยู่มากที่สุดชาวบ้านแทบทุกตำบลมีสิบคนเป็นคนพวนแปดคนไทยเวียงกับเชื้อสายจีนอีกอย่างละหนึ่งคน ชาวพวนนับถือทั้งพุทธศาสนากับผีปูตาผีบรรพบรุษโดยแยกหิ้งพระต่างหากในหมู่บ้านยังมีศาลผีปูตาคล้ายๆศาลผีตาแฮกในภาคอีสานส่วนมากมักจะสร้างไว้ตามเนินโคกหรือจอมปลวกใหญ่ๆบางเรียกว่าหอบ้านก็มีที่ตำบลหินปัก จะมีพิธีกรรมเลี้ยงผีปีละครั้งมีคนสูงอายุทำพิธีที่เรียกว่าเจ้าจำเชื่อว่าถ้าเส้นไหว้ดีทำพีถูกต้องครบถ้วนผีปูตาจะมาคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปปกติจะมีการเส้นไหว้ในวันสิ้นเดือนที่ตรงกับวันพระโดยจัดอาหารข้าวหวานและหมากพลูบุรี แล้วใช้ใบตองห่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมนำไปวางไว้ตามทางสามแพรง่งที่เชื่อตรงกันไม่ว่าไทยหรือพวนคือเป็นทางผีผ่านบ้างนิยมไปวางไว้ข้างโบสก็มีถือเป็นการแจกอาหารทำทานให้ผีเปรตและผีไม่มีญาติด้วยพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพก็น่าสนใจเมื่อมีการตายผิดธรรมชาติ เช่นใต้โหงพวกเราต้องฝังศพไว้ก่อนสามปีแล้วจึงขุดขึ้นมาเผาเพื่อรอให้วิญญาณไปผุดไปเกิดเสียก่อนไม่อย่างนั้นอาจจะมาเอาชีวิตญาติสนิทมิตรสหายไปอยู่ด้วยก็ได้ตอนที่หามศพลงจากบ้านแล้วเจ้าของบ้านจะต้องรีบชักบันไดขึ้นไปทันทีเพราะบ้านส่วนมากปลูกใต้ถุนสูง มีบันไดาพาดจะเข้านอนก็ชักบันไดขึ้นเก็บไม่ให้พวกขโมยขจรแอ บ, บย่องขึ้นมาได้ง่ายๆถ้าเกี่ยวกับคนตายก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผีกลับขึ้นได้อีกขนาดนั้นยังไม่ค่อยวางใจเมื่อเผาศพเสร็จแล้วก็จะนำน้ำส้มปล่อยมาสาดบ้านสาเหตุเพราะต้นส้มปล่อยมีหนามมากถึงผีจะหาทางขึ้นบ้านได้ ก็ไม่กล้าบุกรุกเข้าไปในห้องหับเพราะกลัวน้ำตำเอานั่นเองตอนหามศพออกจากบ้านก็ต้องใจหายใจคว่มอีกครั้งมีกฎเกณฑ์ที่ทุกคนล้วนรู้กันอยู่แก่ใจว่าตอนหามศพไปป่าช้าห้ามวางลงบนพื้นดินเด็ดขาดไม่ว่าเหน็ดเหนื่อยหรือหิวน้ำหิวกระแช้แทบจะขาดใจก็เถอะถ้าทนไม่ไหวจนต้องเปลี่ยนคนหามลงจริง ก็ต้องไม่วางลงพื้นดินเพราะเชื่อถือกันฝังหัวว่าจะทำให้ผีมีอิทธิฤทธิ้นจัดระดับป่าช้าแตกได้ง่ายๆยาพาผีหยุดยาพาผีเศร้านั่นคือความเชื่อกันมาหลายชั่วคนแล้วแต่อุบัติเหตุหรือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยนึกไม่ถึงก็ทำให้เกิดเรื่องสยองขวัญได้ง่ายๆ ลุงพื้นผัวป้าแยมแกเป็นนักขึ้นตาลตัวโยงประจำหมู่บ้านแกทำทั้งน้ำตาลสดและน้ำตาลเมาแถมตัดตาลอ่อนๆมาฉอบเปลือกเอาลูกตาลหวานฉ่ำมาแจกเด็กๆกินเสมอกรรมวิธีบนยอดตาลผมไม่รู้หรอกครับนอกจากตอนที่แกนั่งคาสมาอยู่โคนต้นใช้มีดเฉาะลูกตาลมาร้อยเส้นตอกแล้ววางบนใบตอง พวกเด็กๆที่รวมทั้งผมชอบล้อมวงกินลูกตาลเฉาะแสนอร่อยปากลิ้นแถมชุ่มชื่นใจอย่าบอกใครเชียววันหนึ่งลุงพื้นก็ตกต้นตาลลงมาแหลกเหลวผู้คนมาช่วยอุ้มก็ไปสิ้นใจที่บ้านพอดีเหตุสยองเกิดซ้ำขึ้นตอนช่วยกันหามโลงลงจากบ้านชักบันไดขึ้นเรียบร้อยแต่ก่อนจะถึงวัดก็เกินเรื่องไม่นึกไม่ฝันนั่นคือ น้าปัน่นคนหามโลงด้านหัวเกิดเดินสะดุดท่าไหนไม่รู้ลม้มลงไปนั่งหน้าซีดเซียวโลงผีหล่นโครมลงมาท่ามกลางความตะลึงพึงพเพริดของทุกคนเดชะบุญที่โลงไม่แตกจนเห็นภาพอุจาตตาของศพในโลงแต่คนอื่นๆล้วนแต่หน้าซีดเผือดเป็นไก่ต้มไปตามๆกันน้าลือ เป็นคนหามโลงแทนนปัน่นตกคำก็ฟังสวดนั่งๆั่งนอนๆอนเป็นเพื่อนผีหรือเรียกว่าเฝ้าผีกันตลอดเวลาสะดุ้งผวากันทุกคนเพราะได้ยินเสียงเคาะโลงกันท่วนหน้าคืนแรกนึกว่าลุงพื้นจะฟื้นขึ้นมาแต่ก็พบร่างศพสงบนิ่งในท่าเดิมปิดโลงได้ไม่นานก็เกิดเสียงกุกกัก ตามด้วยเสียงเคาะลงอีกแล้วได้ยินถนัดจนทุกคนนั่งสะดุ้งเป็นกุ้งเต้นไปตามๆกันจนกระทั่งฝังศพลงพื้นแล้วเรื่องสยดสยองจึงเงียบไปเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างๆอย่าลืมกด subscribe ช่อง